จำได้ติดตาไปจนตลอดชีวิตทั้งนี้ก็เพราะโดยหลักธรรมดาคนที่เข้าสมาธิได้ถ้าสามารถเข้าได้ลึกมากเท่าไรมโนภาพที่เห็นในสมาธิก็ย่อมจะปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับคนที่นอนหลับถ้าหลับได้สนิทมากจนกระทั่งเสียงหรือว่าสิ่งรบกวนภายนอกแม้จะมีมากสักเพียงไร